มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบวิวาธาทิกรมีวิวาทเป็นนิทานมีวิวาทเป็นสมุทัยมีวิวาทเป็นชาติมีวิวาทเป็นแดนเกิดก่อนมีวิวาทเป็นองค์มีวิวาทเป็นสมุทฐานอนุวาธาธิกรมีอนุวาทะเป็นนิทาน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 กิจจาธิกรมีกิจเป็นนิทานมีกิจเป็นสมุทัยมีกิจเป็นชาติมีกิจเป็นแดนเกิดก่อนมีกิจเป็นองค์มีกิจเป็นสมุทฐานถามวิวาาธิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐาน